ถามอยากตัดใจจากคนที่เขาไม่ได้ชอบเราและไม่รู้ว่าเราชอบเขาแต่ปัญหาคือเขายังคงโทรมาเป็นประจำพยายามเตือนตัวเองไม่ให้ไขว้คว้าหรือลงนึกไปว่าเขามาชอบเราเพราะเข้ากันในแบบแฟนไม่ได้แน่ๆทําอย่างไรจะตัดความรู้สึกให้ขาดหากไม่รับโทรศัพท์เลยเขาคงงงและเสียน้าใจระ ด, ดีๆกันมาตลอด แต่หากรับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆก็คงต้องวุ่นวายใจไม่เลิกเข้าทำนองเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตอบอุบายง่ายๆที่ได้ผลนะครับรับครั้งไม่รับครั้งใจคุณจะห่างไปเองคือจิตของคนเรานะครับถ้าเห็นการติดต่อมาจากบุคคลอันเป็นที่ใฝ่ฝันจะรู้สึกดีใจลิงโลด เหมือนปั่นหวานกลายเป็นจริงขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อเสพติดวูบนั้นเรื่อยๆก็จะอยากเสพอีกเหมือนลิมช็อกโกแลตรสโปรดคืออยากเห็นการติดต่อมาจากเขาหรือเธออีกแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าใจเรากับใจเขาไม่เสมอกันเขาเห็นเราเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นที่ปรึกษาเป็นหลักให้อบอุ่นเทาว่าเรากลับเห็นเขาเป็นหวานใจซึ่งก็น่าเกรงว่า ถ้าเขารู้เขา้าคงเสียความรู้สึกและห่างกันไปด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยโสภาเช่นนี้ก็ต้องแก้ที่ใจตัวเองโดยทำให้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนรสหวานให้เจือนจืดลงด้วยตนเองซึ่งก็คือกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าการติดต่อมาจากเขาไม่ใช่เอาไว้รับอย่างเดียวแต่เอาไวป้ปฏิเสธด้วยการที่เราทำด้วยความสมัครใจ ด้วยความเล็งเห็นโทษของการตามใจตนเองจะทำให้ไม่เสียใจไม่รู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกเสียหน้าที่เป็นฝ่ายถูกปฏิเสธแต่เราเลือกที่จะถอนสมอถอนรากของความวุ่นวายใจในอนาคตโดยไม่มีใครบังคับการเป็นตัวของตัวเองทำเรื่องถูกเรื่องควรนั้นยิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งหนักแน่นเชื่อมัน่นและนับถือตนเองมากขึ้นเท่านั้น อารมณ์ฝันหวานจะเหมือนภาคของเด็กส่วนเหตุผลที่ถูกที่ชอบจะเป็นภาคของผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่โตเต็มตัวขึ้นมาเป็นคุณเต็มที่ภาคเด็กก็จะหายตัวไปเองเลิกติดใจอะไรจะเอาอย่างฝันได้โดยไม่ต้องปลอบประโลมกันมากถ้าครั้งไหนไม่รับสายให้หาอะไรทำวุ่นๆและบอกตอนเองว่านั่นเป็นความจำเป็นคือจาเป็นในส่วนของเรา ที่จะตัดต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดทิ้งเพื่อไม่เสียน้ำใจก็อาจส่งข้อความขอโทษตามหลังไปสักหน่อยบอกว่ากำลังยุ่งยังคุยไม่ได้วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ในกรณีที่คู่ไหนตกลงว่าเลิกกันแล้วแต่ยังมีการโทรตามตื้อเป็นประจำนะครับต้องแยกแยะว่าเป็นคนละกรณีกรณีนั้นคือการโทรตือ้อแต่กรณีนี้คือการโทรคุยธรรมดา เขายังไม่ได้ผูกใจไม่ได้คิดง้อขอคืนดีใจเราเองที่ผิดปกติไปซึ่งเป็นธรรมดาของความใกล้ชิดผูกพันระหว่างหญิงชายยากมากที่จะคงความรู้สึกสะอาดอาดไว้ให้ตลอดรอดฟัง